50 languages. 92 n e t y t w o Tombe teredo. Anu prayok. Rong long ma tii song. Adhi na vakya. Adu yendu e r d Di h a n mo ho t kun non l o n ನ ี่นู้โกรกเกี่ยหอดีอยู่ตียังนั่ น, นกกดูด่ฉันโมโหที่คุณดื่มเบียมากนี่นู้อัชตันดูเบียร์คุดีอยู่ตียังนั่นดูนั่นเกะโคเปบารุดตีเดดิฉันโมโหที่คุณมาช้านี่นู้ตุ้ม ಡ ವ ตระุดตียังนั่นดูนั่นเกกุ ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหม อ, อเอวันนี้ไวยดยะะเียดเดยิทุทดิฉันคิดว่าเขาไม่สบายเวน้อสุสตนาจิดยินดูนานูาวิุตดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่เอาวนนู้นิดเดมารุติดดายินดูโลด์ตเต เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเราอาโน่หนึ่งมะกรันโน่มดุวยากุตตานเนยินดูอาชิสุเตเวเราหวังว่าเขามีเงินมากอาโนูตุมบาหณวันโน่นดิดานเนยินดูโลลุตเตเวเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน อวันูลักษณดีพัตเย็นดูบ้าวิสุเทธิเวดิฉันได้ข่าวว่าพันลยาของคุณประสบอุบัติเหตุนินนาห็นดาติเกะอภิฆาตวัยตูยินดูเคลืดเดดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาวลูอาสปัตรเยลลีอิดดารเลยินดูเคลืดเด ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันนินนากาดีสมพูรณาวากีนาชวากีเดย์อินดุเคลลเดดิฉันดีใจที่คุณมานิวูบันดิดีดีอินดูนานาเกสสันโตชวาดดิฉันดีใจที่คุณสนใจ นี่วูอาสักติฮนดีน ल ल न न ดีรียินดูนันเกสันต oso วากิดเเดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านนี่วูอามันเยนนคดลลูบายสุตตีรียินดูนันเกสันต oso วากิดเเด่ิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วคนียบัสหรัตุฮุกิดเเยินดูนันเกอัญจิกเเด่ ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่น้แท็กซี่ ล, ลี่พยายานำมาดบก้ากุตเตดีิลุตดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้วนันนบ่บัลหัน l a อินดุคลุตเ